ท่านพบฟังแนละท่านอ่านมาหลายวันที่วันทฤหนี้ตรงกับวันที่18มกราคม2533 <c oughs> ที่จะบอกไว้กระพาะมีเรื่องตองบอกว่าตอนเช้าวันนี้หมอเตือนใจกันสุภาได้มาทำฟันให้คือมามาแคะหนองจากราาฟัน แล้วก็มีการแตะวัตถุแข็งแงเว้นหน้าฟันเคยเกี่ยวอาหารได้ด้วยการเดินทางมาของหมอ่านี้ก็มีปวดภาชาติหรือว่าโอ้เป็นคนขับรถให้ <c oughs> เรื่องเขาฟันบันดาจนพทธบริษัททั้งหลายมันปวดมาตั้งแต่ ว, วานเมื่อ ว, วันที่สิเบเจ็ดมกราคมรั้ทึกเสียงรู้สึกว่าเสียงแ่งไป แต้หมอก็เหมือนวันนี้ไม่กระทบกระแทนกับเครื่องมือเข้าทางฟันไม่ปวดต่ได้รีว่าประสาทส่วนเองรอนรวนแต่เพราะอย่างยิ่งทางท้องไม่ถ่ายเป็นปกติและขนาที่พูดีิรู้สึกว่าเจ็บคอมาก <c oughs> ทางนี้ก็คงยะโทษเครื่องหคาฟันกันไปถึงนักเพราะอากาศหนาวเย็นขึ้น เรื่องความว่าคนโพูดก็มีทุกเหมือนกับตะบรนดาท่านผู้ฟังนะท่านผู้อ่านทั้งหลายเหมือนกันแต่ทําไมจะทุกขนาดไหนก็ตามงานประจำก็ต้องทําแต่ว่าวันนี้ขอทําทงานประจำํำพิเศษคือการเล่านิทานให้ลูกหลานฟังจะของอสด <c oughs> เรื่องของตัวของดถือว่าเรื่องนิทานให้เป็นเรื่องของเด็กดีกว่า นั่นก็คือมีความต้องการว่าให้เด็กๆได้มีโอกาสได้ฟังฟังเรื่องของเด็กด้วยกันเําเรื่องของเด็กด้วยกันคือว่าจูไรจูไรเคยเป็นเด็กวันนี้ของเอิญน้อยป้าน้อยมาคุณป้าน้อยมาแล้วก็คนจูไรก็มา จึงขอมอบหมายงานแล้งสองระการให้ทัานน้อยและเจรไหลไปผู้เรื่องเรื่องคุยกันต่อไปรเรื่องราวของคนแก่จริงๆก็ไม่น่าจะฟังนักก็ขอเรื่องเรื่องตามนี้หลังจากที่เจไหลก็ป้า น, น้อยลงมาจากสวรรค์ท่านดาวดิงด้วยความจริงเธอตั้งใจงอยากจะไปเที่ยวให้มันหมด ว่สวรรค์มีที่ไหนบั่งเทวดานางฟ้ามีที่ไหนบ้างพรมมีที่ไหนบ้างอยากจะไปเชื่อให้หมดตรงนี้ก็เห็นว่าการไปเสื่อร่างกายที่ไปแต่อาทิตย์สมานกายเมื่อาการไปสวรรค์และกายตอนไปพมทโลกเขาถือว่าเป็นกายทิพย์แต่กายเนว่าที่ที่ ท, ที่เมือมนุษย์มันต้องการอาหารเมื่อไปถึงมันนานเกินไปมันอาจจะซุดโสมและซุด แล้ อ, อาจจะตายทุพพลภาพก็ได้ยังไม่ถึงเวลาตายมันก็ตายไม่ได้อาจจะไป็นทุพพลภาพคือไปง่อยเปลือเสือขาไปไม่มีแรงเ <c oughs> มื่อถึงวาระต้องกลับก็กลับต้องกลับมาคือครบเวลาใกล้จะเจ็ดวันก็เดินทางกลับลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวัลโลกพทดจอบรู้ว่าเขาประสมเมย์นอยู่ที่ไหน เมื่อตามมาถึงม่สมพ่อจันบอกว่าเวลาพระเจ้าจัดเสด็จจากเชนดาวดึลงประตูเมืองสังกัดกรทนครเขานั้นองค์สมเด็จพระจินวรลงทางบันไดไปที่พระอินสร้างให้เจอพระอินเล็กๆใวิสุคำเล็กๆว่าที่จงเป็นบันไดทองด้านนี้จงเป็นบันไดเงินตรงกลางเป็นบันไดนาคข้าต้นตรงกลางเป็นบันไดแก้ว ในองค์สมเ็จพระพุทมีพราเจ้ญญาสมเด็จองค์ตรงกลางเมื่อจุดลาคลําพบจุดทางลงของเขาพระศุเบนได้แล้วก็ลงมาตามแนวทางจะไม่ชั้นจต่ไม่ใช่บันไดไม่ใช่บันไดที่ริ่งสร้างถว า, ายพระพุทธเจ้าก็ล ง, งจากเขาพระศุกร์เบนมาก็มาพบทางสี่เพล้งายังหันได้ถามป้า น, น้อยว่าคนใต้ญญจ้ะขา ทางมันมีสีแยกแต่ว่าสีแยกตามบติที่มืุงเทพเขมีกำหนดจราจรแล้วก็มีป้ายบอกทางแต่ว่าทางสีแยกนี่ไม่มีกำหนดจราจรด้วยไม่มีป้ายบอกทางด้วยหนูอยากดูว่าสงสัยนักว่าอย่างนี้ป้ายจะไปถูกไหมป้ายไม่ก็ต้องวันหลนังเวลานี้เราเป็นอารมณ์จิต เธอที่มาในที่มีร่างกายนี่ ม, น ม, ามาันเป็นนามธรรมเป็นโูกของในนามโูกของในนามที่ว่าไม่รู้เนี่ยไม่หลีทุกอย่างรู้หมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางของโลกจุดต่างๆเขาสถ า, านที่และบุคคลเคาจะอยู่ที่ไหนมันต้องรู้หมดถ้าไม่รู้ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่กายทิศให้ใจทิศจะอไรยังไม่ถามว่าคุณป้ายกขาถ้าอย่างนั้นทางสี่แง่ คุป้าเคยทราบแล้วว่าว่าทําไหนแยกก็ไปทางไปที่ไหนกันป้าก็บอกว่าเวลานี้เราเดินลงหันหน้าไปทางทิศใต้ทางที่เราเดินมานี่เป็นทางขึ้นสวรรค์เป็นที่วุดรากและทางตรงข้ามไปทางทิศใต้นั่นเป็นทางไปพรหมโลกถ้าคนตายจะไปพมเข้าไปสันทางนั้นทางด้านทางขวามือนั่นเป็นทางไปสู่เมืองมนุษย์ ก็ด้านทาซ้ายมือนี่เป็นทางเป็นทางลงเป็นทางลงนรกถ้าเดินตรงลงไปจริงๆริงจะถึงแดนเกล่ก่อนถ้าเลี้ยวขวาไปนิดหนึ่งจะเข้าแดนยมโลกยกียมมลกยมโลกยีโกสุด ข, ขุมอยู่ด้านฟ้ามือที่เราจะเลี้ยวไปนั่นเลยไปจากนั้นจะเข้าไปถึงแดนของพยาลมีอไรก็ถามว่าคุณป้าทราบมาจากใคร คุณป้าก็ตอบว่าป้าไม่ทราบมาจากพระท่านเทพพระท่านเทพท่านเทพแบบนี้ตําราเขาเขียนแบบนี้ป้าก็เชื่อพระไม่ก็เชื่อตําราเป็นนายว่าจุไรก็ถามว่าคุณป้าที่นั่นเราจะไปไหนขกันก่อนคุณป้าก็บอกว่ามองดูที่ร่างกายพวกเราซุดโสมมากไหมถ้าร่างกายเราซุดโสมมากเกินไปเราก็กลับไปเมืองมนุษย์ก่อน ถ้าร่างกายยังมีกําลังดีอยู่ลงไปเที่ยวบ้านลงก่อนที่ไล่ถามว่าลงไหนป้าน้อยจะบอกว่าลงพุทธกับลงใหญ่ที่ไล่จะถามว่าลงพุทธกับลงใหญ่นะหมายถึงสนักพยาโยมใช่ไหมป้าน้อยก็บอกว่าใช่ในขณะที่ทั้ง ส, กกยยนนทงสองป้าหลานเดินลงมาทางซ้ายเป็น ท, ทางราบเรียบทางใหญ่เขาโล่งไม่มีของสะอาดสะอาดมาก ตอถึงทางแยกทางขวาก็เข้าแยกแล้วก็มองดูยมมลกยยนลอกไปจะเป็นพงพางก่อนทันผ่านไปก็ะจะกลับมาชมทีหลังชมสวรรค์กันมากเกินไปไมเรียบเป็นความดีดีไม่ดีก็สร้างความชั่วหมกกันไว้แล้วก็เลยไม่รู้วันชั่วคิดว่าท่างดีอย่างเดียวพอตายความชั่วลากไปจะเดือดร้อน <c oughs> แต่สักครู่ต่อไปขึ้นหน้าจะกลับมาชมกัน ก็เป็นว่าทั้งสองคนเดินมุ่งหน้าไปสู่สำนักของพญายมความจีิงสำนักของพญายมนี่ท่านผู้ฟังต้องต้อ่านโปรซาบไม่ใช่อยู่ในแดนนรกอยู่ในเขตของชั้นจาตุมหาราชของเทวดาแต่ว่าเป็นภายชายเขตแดนติดต่อกันนรกกับเมือมนุษย์ด้วยเมือนรกด้วยเมืองเทวดาด้วยติดต่อกันเป็นสามพ่งเป็นสามเขต เขาเว่าสามเหลี่ยมทองคำตอนนี้จะเรียกว่าสามเหลี่ยมผู้ทรงคุณเมตตาปา ร, ปรมีก็ได้ตอนนี้เรีกว่าสามเหลี่ยมมหาบารมีก็ถูกคั้ที่เข้าไปเข้าไปใกล้จุลัยก็มองเห็นคนยืนติดเป็นหมู่หมู่เป็นหมวดหมวดแต่ละหมู่แต่และหมว ด, มว ด, มวดก็มีคนนับร้อย หนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มวัยน้อยมีคนตั้งแต่สองร้อยคนขึ้นไปแล้วก็หนึ่งกลุ่มมีคนร่างกายใหญ่ๆสูงมากบรรดาคนที่ยนืนในกลุ่มนั้นหัวของเขาแค่เอวเท่านั้นเองตักนั้นใหญ่มากถือมือเงาบ้างถือคอนไม่งถือออกบ้างตามแต่เขาจะถือเรื่องของเขาที่ไรก็ถานของ้านน้อยกว่าคนป้ า, ปาเจ้าค่ะไม่กองทาหารที่ไหน เขาเตรียมจะไปรบกันเลยครับว่าเบุกขัดทหารป้าก็บอกลานมา่ไม่ใช่นะนี่เป็นลานด้านทิศตะวันตกของสนักของพระยายมเป็นลานใหญ่ที่คนยืนอยู่ประมาณได้สุดกลุ่มแต่ได้ ก, กลุ่มไมั้คอยการสอบสวนของพยายมเช้นก่อนและคนที่คุมอยู่นั้นเป็นนายเรีบบานคือเจ้าหน้าที่อของมรร แใ่เจ้าหน้าที่ก็มาคอยรับควบคุมคนไว้คนไหนก็ยังไม่มีการสอบสว น, นยังไม่ปล่อยให้ไป <c oughs> คนไหนที่มีการสอบสว น, นแล้วแต่ว่าไม่มีความผิดหรือผู้ญายญมส่งให้ไปรับผลีความดีเขาก็ปล่อยไปแต่คนไหนที่ผู้ญายมตัดสินใจว่าส่วนแรกแต่กรรมเขาก็นําไปมารกไปลงโทษตามกฎของกรรม จี่ไรก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นเราจะเข้าไปสินักพายาโยมได้ไหมทุกป้าไม้ตกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกสถานที่มีระเบียบถ้าอย่างนั้นเราลองเข้าไปถามถามเจ้าหน้าที่ก่อนทั้งสองคนก็เดินตรงเข้าไปแื้อเลี่ยงจากสนามประชุมพลไปจำด้านซ้ายือ ป, ปันด้านด้านทิศเหนือของอาคาร แไปเข้าไปใกล้จะเห็นหน้าคางฉำหลังตั้งเรียงรายกันอยู่โรง่งมีความสวยสดงามน่าอยู่หน้าพักหน้านั่งแล้วก็มีบัลลังก์เจ้าหน้าที่แต่งตัวสวยๆ ย, ยืนอยูเพื่อให้อากาศเป็นหมดเป็นหมู่ทางไปตัวเข้าก็มีเจ้าหน้าที่สี่คนแต่วเจ้าหน้าที่สี่คนแต่งเคร่องแบบเหมือนกันหมดคื อ, อ, อสีแดงเสื้อก็สีแดงท่านม่วงและกางเกงก็สีแดงเหมือนกัน พวกหัวแดงถีอกะบองพอเข้าไปจุลไลก็ยกมือไหว้เธอใช่สัพว่าคุณลงุงใครถามว่าคุณลุงเจ้าคะสำนักงานนี้เป็นสำนักงานของประญยายมใช่ไหมคุณลุงมองหน้าเธอคุณลุงก็ถามว่าชื่อจุลไรใช่ไหมเธอก็ตอบว่าใช่เจ้าค่ะแล้วเธอก็ถามว่าทาไมคุณลงุงเฝ้สราวโนที่จุลไร แล้วลุงยังไม่ตอบลุงก็ถามว่าก่อนที่หนูจะมานี่หนูไปสวรรค์ชั้นดาวเดือนสะเทือโลกมาแล้วใช่ไหมคือก็ตอบว่าใช่ถามว่าไปชั้นจาตุมาราตมาแล้วใช่ไหมคือก็ตอบว่าใช่คุณลุงก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นนะหนูต้องการเข้าสนักพยาโยมใช่ไหมคือก็ตอบว่าใช่เจอก็บอกว่ า, ท, า, า, ยายท่านพยาโยมส่งเจ้าหน้าที่มาคอยรับหนูก็ป้า คุณเล่ถามป้าว่าป้าเชื่อ น, น้อยใช่ไหมป้า น, น้อยก็ตอบว่าใช่เป็นว่าสองคนถูกต้องตามบัญชีตรงตามที่พระยาโยมสั่งว่าถ้าสองคนนี้มาให้นําเข้าไปได้จังที่นําเข้าไปดะนั้นเจ้าหน้าที่จะนำสองคนไปในสมานักพระยาโยมเข้าไปที่นั่งจอมมืเจ้าหน้าที่ฝ่ายชายสองฝ่ายหญิงสอง ทุกคนมีความสวยสดงดงามมากทุกร่างหน้าตาก็เหมือนมนุษย์ธรรมดาตุ้งผ้าเรียบเรียบแต่ผิวพรรณสวยมากตาเยืนเย็นจ่มใสจะไม่หยุ่นคนหนึ่งผิวเนื้อค่อนข้างเหลืองโทรงสวยมากเป็นลักษณะของ ม, น, มนุษย์ธรรดานุ่งผ้าถุงสีทอผมต้าวใส่เสื้อกับสีทองผมผ้าสบายกับสีทองขแดงย เธอหันก็ไปยกมือไหว้ป้าน้อยถามว่าป้าจําหนูได้ไหมป้าน้อยก็งงก็ส้ายก็ถามว่าหนูคือใครเธอก็ตอบสั้นๆว่าหนูคือจิตเขาว่าจิตเป็นที่ของเธอป้าน้อยก็ถามว่าหนูรู้จักกับป้าตั้งแต่เมื่อไหร่หนูจิตเธอก็บอกว่าหนูเป็นคนต่างจังหวัด อยู่ทางจังหวัดภาคเหนือใจว่าจะบอกจังหวัดเลยแต่เดี๋ยวจะเป็นการสะเทือนไทยก็โอเลคคนอื่นที่ยังไม่ตายห <c oughs> นูเคยปฏิบัติัธรรมป้าสอนให้ก <c oughs> ารจีนหนูก็ฝึกได้แค่สองวันวันแรกป้าสามารถนําไปได้ถึงพุทธลมมณีวันที่สองหนูก็ติดตามตามคําแนะนำของป้าได้ไปถึงนิพพาน แต่ว่าพอกลับถึงบ้านไม่นานปรากฏว่าหนูเป็นชาวนาเนี่ยออกไปที่นาไปดมข้าว <c oughs> เวลาขึ้นจากคานางูเห่ากังเมื่อความตายในวันนั้นป้า น, น้อยก็ถามว่าในเมื่อหนูได้ทิพยุคุยานได้ทิพย์คุยานแล้วทำไมหนูไม่โจทย์โ ด, ดยเสก่อนเพราะอันตรายจะมีที่ไหนเพือ <c oughs> ก็ตอบว่าเชื่อที่ว่าวาระมันจะเข้ามาถึง <c oughs> ในเมื่อวาระจะเข้ามาถึงแล้วความตายจะเข้ามาถึงทุกสิ่งทุกอย่างถูกบังหมดก็เป็นนว่าคนหลานสอนคนป้าต่อไปกันเล่าตอไปว่าหลังจากที่ตัวหง่ากลับเธอจะนึกถึงคำบรรณาว่าพุทโทนึกถึงคำบรรณาไม่ฟันนึกคำวม า, าพุโทโธขึ้มนมาได้คอานึกหายใจเข้านึกว่าพุทธ ใ, ใจออกนึกว่าโทมันก็ปวดเหลือเกินทิกข์โงนปวดมาก ร่างกายก็เริ่มบิดบิดเทือแรกดิดตัวไปทางซ้ายข้างหนึ่งต่อมาก็บิดตัวทางขวาพอดิดตัวมาทางขวาแปลกดูเห็นภาพพระพุทธรูปใหญ่โตมากปริมาณน่าจักประมาณทั้งสิบสอกเลือร า, ามเป็นทองคําตอนนี้เองใจโหนก็นิกระพระพุทธรูปแทนี้นึกถึงความเจ็บปวดจิตใจสนใจในภาพพระรูปหนักขึ้นจิตจักรพิจารณนเลือนลืมความปวด ในที่สุดความปวดจะหายปวดเมื่อไยก็ไม่ทราบแต่ตอนนั้นตอนที่หนูจิตอจิตใจไปจับพระพุทธรูปไปสนใจแล้วแล้วไม่ได้สนใจใครเลยใครก็จะปฏิบัติพยาบาลดักษาแบบไหนหนูไม่รู้ทั้งหมดในที่สุดหนูก็ตามพระพุทธรูปมาเมื่อตามมาแล้วท่านก็นาไปส่งไว้ที่เช่นกาปุนาราชมีวิมานทองคำเรื่อยอยู่ มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารและมีศสปโปึโตรกอร์ีมีรศนิมการสว่างสวัยมากในเมื่อเธอพูดเข้าภาพของลิมานภาพรู้สึกโปกร์นีภบริว า, ากวรวาก็ปรากฏของป้านม้อยแลพระเจะ้ากระตุไหลป้านน้ม้ก็ถามว่าเธอจะเริงกรรมาฐานแค่อย่างเดียวทำไมถึงม่ยานสงมากนัก ก็เธอก็ตอบ ว, ว่าในฐานะที่หนูมีสัปเพครีก็เพราะว่าในสมัยครั้งหนึ่งหนูเคยทําบุญร่วมในการสร้างป่าป่าทางวัดเขยสร้างป่าป่ า, ากันหนูก็เป็นคนจนเอาเงินห้าบาทไปร่วมกับเขาคิดว่าทุกเสิ่งทุกอย่างที่ต้องทำป่าป่ากันเรามีส่วนเป็นเจ้าของทั้งหมดอันนี้ส่งมาี่เป็นปัจจัยหนูได้สัปเพครี ในการมีสองหนูเคยถวายวสังขารจะไหวาสังขารมีเนื้อหารนิดหนึ่งที่เปูจัดปูกระเดือกของปูแล้วก็มีผ้าผืนหนึ่งย่อมยม่อมพุรยบาทรและมีพระพุรูปให้สายที่มีผ้าเป็นเหตุให้หนูได้เชื่องประดับัเป็นคิดเนื้อหารหน่อยหนึง่งเป็เหตุได้ร่างก า, ายเป็นคิดมีพระพุรูปเป็นเหตุให้รูปสวยมากแล้วก็มีแสงสว่างมาก ได้กบจบเขาก็บอกว่าถ้าไม่ได้ป้าแนะนําในการเจริญกรรมฐ า, านหนูก็ไม่แมน่เหมือนกันว่าจะประโยชน์ที่ไหนป้าก็ถามว่าในฐานะที่หนูเคยไปพระจุลามณีได้เคยไปนิพพานมาแล้วทําไมหนูไม่ต้องการไปนิพพานเลยเจเลยก็ตอบว่าเมื่อฝึกต้องการไปนิพพานไธ้กลับมาถึงบ้านจิตใจต้องการไปนิพพานก็ไม่ยอมแต่ถ้าว่าบุญธมบา ร, รมีที่ถึงนิพพานยังไม่มี เลยมาอยู่ที่นี่ก่อนป้าน้อยก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นจิตใจของเธอยังมีความต้องการาผลิพานไหมเธอก็ตอบว่าเวลานี้หนูก็ยังรักผลิพานว่าต้อยก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นเธอมาที่นี่เพ่ออะไรเจ้ก็ตอบว่าท่านท้ามหาราชคือท่านท้าเวสุวรรณสั่งให้หนูมาแล้ว่าป้ากับหลานสองคนจะมาที่นั่นให้หนูก็คอยต้อนรับ ท้งนี้ใ ห, ให้จะได้ป้ากับหลานไม่เกิดเขินให้แปลเป็นสถานที่งงดีไม่ดีคงจะเป็นการเป็นสถานที่ใหม่จะงงไม่กล้าคุยกับใครถ้าเ็นว่าท่านมาเพราะว่า้าป้ากับหลานสงสัยอะไรไม่กล้าจะพูดกับพยายมก็บอกโหนโหนจะกลับเรียนท่านเองก็แปลว่าป้ากับหลานขอบใจ น้ตจิตแม้ว่าชื่อจิตเฉยๆไม่บอกต้อครกันฉนด้วยก็ตามเราตามเธอไปเข้าด่านนักข่อยายมเข้าไปในม่านเข้าประตูแล้วก็ผ่านม่านไปเก็บพันพอถึงม่านเห็นไปยายมก็ลองทําการสอบสนอยู่ท่านก็ชี้มือให้หนั่งเขาอีกที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ทั้งสามคนก็เข้าไปนั่งเก่าอีมีเจ้าหน้าที่คอยรับ ว่าท่านจะไม่ยอมหยุดจากการไต่สวนของท่านงานของท่านก็ต้ไปงานเจ้าสองคนก็นณะงสองคนก็นั่งฟังมาตอนหนึ่งท่านถามคนที่ถูกทําการสอบสวนว่าเธอทําบาปอะไรไปบ้างนึกออกไหมคนคนนั้นหนึ่งไม่พูดท่านถามว่าบาปทุกอย่างทําหรือ เขาก็เขาก็นึ่งไม่พูดท่านถามว่าเคยทําบุญอะไรไว้บ้างคนนั่งก็หนึ่งไม่พูดรู้ท่านมันนั่งไล่เบียดเคยเคยใส่บายให้กับพระบ้างไหมขเขาก็เงียบเคยฟังเทศบ้างไหมขเขาก็เงียบเคยบทพระบ้างไหมขเขาก็เงียบเคยบทเนรบ้างไหมขเขาก็เงียบไล่ไปเยอะที่สุดแล้วเธอเคยเลี้ยงหมาไหม คนนั้นอา้าปากตอบรับก็ที่เคยครับหมาที่บ้านผมมีเยอะสิบตัวแต่ความจริงอันนีตอนนี้พูดได้แหละความจริงผมไม่ตั้งใจจะเลี้ยงมันก็บังเอิญแม่ของหมาขณะที่มีท้องมาอาใส่บ้านผมอยู่ถ้าต่อมามันมันเมื่อมาใส่เขาอยู่เขาก็เลี้ยงมันตามยาถื้อหาตมตามฐ า, านะที่เป็นทําได้ต่อมามันก็คลอดลูกรอบแรกสี่ตัว แล้วต่อมาเข้ารอกครอบรอกที่สองอีกห้าตัวเป็นเก้าตัวรวมสิบตัวเปน็นแม่เวลานี่ผมเลี้ยงท่านถามว่าบุนอย่างอื่นเจ้าเคยทำํำแต่ทําไมจิ้มนิ้วไปออกยังบวชพระด้วเจ้าก็เคยบวชไิ่ออกไหมเขาก็ส่ายหัวบอกว่านิ้วไปออกเคยบวชหนึ่งก็เคยบวชเขาก็ส่ายหัวนิ้ไปออกถวายสังฆทานก็เคยใส่บาตรหน้าบ้านก็เคยแต่ก็กไม่ใส่ออก ก็เลยบอกว่าเอางี้งก็เลยกันแม้ <c oughs> เมื่ อ, อบาปทุกอย่างแล้วแต่เธอทําไม่หนักนักก็ทำมาแล้วบนทุกอย่างก็ทำมาแล้วเวลานี้บาปนึกก็ไม่ออกบนทุกอย่างนึกไม่ออกนึกได้อย่างเดียวบนเรียกสุนักก็ถือว่าเป็นเมตตาบารมีและเป็นทานบารมีคนถ้ามีกําลังใจไม่ดีก็ไม่เรียกสุนักได้ฉะนั้นขอเธอจะรับถึงความดีก่อนเขาก็กราบสามครั้ง หายหลังออกมานอกวงก็ปรากรูปร่างหน้าตางเขากลายเป็นเทวดาไปทันทีทุกคนที่ฟนะังแล้วทุกคนมีอ่านเขาก็อยากทราบว่าคนที่เขาถูกตัดชิงไปแล้วนี่เขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าถสงท้องายก็บอกว่าเขาจะบอกให้ทราบว่าใช้คําว่าผมก็คือผู้ชายเขาเป็นผู้ชายบ้านอยู่ที่ไหนเดี๋ยวค่อยฟังกันต่อไปก็เป็นนวัตธรรมะที่นั่งพอเขาเคลื่อนออกจากวง ตัดถิ่นบนเก่าทั้งหมดที่รวบรวมกันว่าที่ทําไว้ก็มารวมตัวหมดเจ้าเจวงที่ทเจ้าเจวบุญเลี้ยสุนักนะเป็นอาวุธบุญเลี้ยสนักเป็นบุญ น, นําหน้าเขาเป็นเหตุที่ทำนึกออกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการเลี้ยสนักต้องนึกทุกวันทั้งวันแล้วลุกต้องนึกเสมอว่าเวลานี้มีอาหารให้สุนักแล้วเวลาต่อไปจะจัดอาหารอะไรให้สนักเจ้สาสองคนจสีงเรียก ให้คุณจิตเลือกเขามาแถมว่าท่านเวลานี้เป็นเทวดาแล้วสวยมากแต่ว่าท่านมีความสวยสดงดงา ม, มจริงๆเพราบตาประยักโ์มีเสื่องเช็ ด, ดมีชฎามีค้าก็ไปต่องพันนาแล้วเทวดาก็สวยแล้วก็แล้วกันทุกอย่างนี้เป็นบาจากอะไรจากีสรสนักอย่างเดียวรู้ท่านเทวดาองค์นั้นถ้านก็บอกว่าไม่ใช่ัแล้ว บุญที่นึกได้ก็คือบุญอย่างชวดาอย่างเดียวแต่ถ้าว่าขณะนี้บุญทุกอย่างบุญบวชพระบุญบวชนบุญถวาย ส, งสาังฆทานบุญใส่บาตรหน้าบ้านบุญเคยฟังเทศและก็บุญเคยเล่นสนักมารวมตัวกันเป็นกลุ่มบุญใหญ่เอาให้อันนี้สงพร้อมกันบ้าน้อยก็ถามว่าอย่างนั้นท่านจะไปจากที่นี่ท่านจะไปไหนท่านเป็าดาวนะก็บอกว่าผมไปดาวดึงสระ ป้าแม่ก็บอกว่าคนที่เคยบวชจะเฉพาะอย่างยิ่งคนคนที่เคยจะไหวชั้นฐ า, านเมื่อจะไหวชั้น า, านแล้วก็อนุสงจะส่งผลเป็นเทวดาได้นาวฟ้าชั้นที่ห้าที่ชั้นนินนามแล้ดีจะมีความสวยสดงามมากมีรูปภาพมากเป็นศรีาา ก, า, ร า, กายสว่างมากสวยก็ดาวดึงมากทาไมจึงไม่ไปให้มันนี้นก็ตอบว่าผมชอบดาวดึงครับ เรลามีพระสงฆ์ส่งเพีย ง, งใดก็ตามทีแต่ว่าเวลานี้ต้องการเราดูแล้วถ้ากลาไปอะไรรดาถ้านเคยอ่านและท่านโปรดฟังทั้งหลายเวลาดีเขาตั้งไว้ีมัมนก็ไม่แน่นอนก็พอดีพอดีพอเริ่มจะพูดเวลากัดนาฬิกาตก อ, อาหุดไปก็ไม่แน่ใจในเวลาว่าจะใกล้สามสิบนาทีแล้วยังจะเป็นร่างกามันจะห่างสักสามสิบนาทีมากไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วย เพรว่าแม่แน่ใจในเวลาดีไม่ดีๆจนะเลยเวลาไปตอนนี้ไปตอนนี้ก็ขอลาบดาท่านพระทวยสัตว์ตไไหลายขอทุกท่านนีดีในความสุขสวั ส, สดิธธ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจากตัวพระพุทธพรชัยทั้งสประการมีอายุวันนาสุขะพละรัชพิพานหาทุกท่านการชนะสิ่งใดก็ให้ได้เสนางสงความเป็นหนาจนทุกระการสวัสดี